ความเป็นมาของมุตโตไทยสมัยที่อยู่วัดป่าบ้านหนองผือนั่นเวลาได้ฟังท่านพระอาจารย์พูดคำใดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นที่พอใจผู้เล่าก็จะนำมาเขียนซ้ำแม้แต่ท่านอาจารย์วิริยังท่านอาจารย์วันก็มีความคิดแนวเดียวกันทั้งสององค์เขียนแล้วก็เอามาวางไว้ให้ข้างที่นอนของผู้เล่า เป็นลักษณะคล้ายๆกับบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกความจำเพื่อการลืมเหตุที่มาเป็นหนังสือมุตโตไทยนั้นเนื่องจากเจ้าคุณพระอาริยคุณาธานเสงปุดโโสขณะนั้นท่านเป็นรองเจ้าคณะภาคท่านมาตรวจราชการและได้ไปกราบในมัสการท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่สามคืนที่กุฏิของผู้เล่าตอนพักกลางวันท่านไปเห็นบันทึกนี้ ก็เลยเอามาอ่านพออ่านเสร็จเราก็ขึ้นไปปฏิบัติท่านเจ้าคุณเพราะเคยเป็นลูกศิษย์ท่านท่านสอนบาลีให้ท่านเจ้าคุณถามว่าอันนี้ใครเขียนละ่ะตอบว่าเขียนหลายคนขอรับกระผมมีใครบ้างมีกระผมท่านอาจารย์วิริยังและท่านอาจารย์วันขอรับกระผมเออดีมากเราจะเอาไปพิม์ แล้วแต่ท่านเจ้าคุณขอรับกระผมด้วยความเคารพเพราะท่านมีบุญคุณท่านจากไปประมาณสัก3ามเดือนก็มีหอหนังสือส่งมาในนามของท่านอาจารย์มั่นผู้เล่านำไปถวายท่านอะไรนั่นท่านพระอาจารย์ถามกระผมก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้เปิดดูแต่ ว, ว่าคล้ายๆกับหนังสือท่านจึงบอกว่าเปิดดูสิ คือลักษณะนิสัยของท่านพระอาจารย์ม่นนั้นท่านไม่ให้พูดตรงๆถ้ายังไม่ได้ดูเสก่อนไม่ให้พูดว่าอะไรอยู่ข้างในเราจะไปบอกว่านังสือท่านไม่เอาแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยบริการที่ผู้เล่าเป็นพระพันตะคาริกผู้มีหน้าที่รักษาเรือนคลังเก็บพัสดุ ข, ของสงฆ์เวลาพระสงฆ์ไปขอสบงจีวรเพื่อผัดเปลี่ยนนะ่ะท่านจะถามว่าว่ายังไงทองคา มีไหมก็ต้องบอกว่ากระผมยังไม่ได้ดูจะลองไปดูซะก่อนอาจจะมีก็ได้ต้องพูดอย่างนั้นถ้าเราจะไปรับโดยตรงอ๋อมีมีถมไปมีเยอะแยะนั่นแหละเดี๋ยวท่านตะเพิดเอาท่านไม่ให้พูดตรงตรงท่านให้พูดด้วยสติปัญญาลักษณะคล้ายๆกับพูดเรียบๆ เ, เคียงๆไปถ้าพูดเรียบเคียง ท่านก็ทราบเองว่าของนั้นมีอยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันมีแต่ถ้าเรายังสงสัยว่ามีอยู่ก็ต้องบอกว่าขอโอกาสครูบาอาจารย์กระผมยังสงสัยอยู่ขอไปดูซะก่อนต้องบอกว่ายังสงสัยอยู่ถ้ามีก็บอกกระผมยังไม่ได้ดูอาจจะมีก็ได้ที่ท่านให้พูดอย่างนั้นนะ่ะเป็นคำสอน เพื่อฝึกสติปัญญาของสานุสิตให้มีสติด้วยให้มีปัญญาด้วยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคำที่เราพูดออกไปถ้าจะเป็นโทษแก่เราถึงขึ้นรงขึ้นศาลเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ให้พูดตรงเหมือนอย่างเราพูดว่าท่านครูบาอาจารย์วันนี้ได้ปลานำมาใส่บาทนะ่ะนี่มนท่านฉันลาบฉันก้อยนะ พระชันไม่ได้ผิดพระวินัยเพราะออกชื่อโภชนะทั้งห้าท่านคงจะถือหลักนี้ละ่ะหลังจากท่านรับหนังสือมาแล้วจึงเปิดดูเอเราเคยได้ยินเจ้าคุณอุบาลีพูดว่าคุณมั่นเธอเทศนาด้วยภาษามุตโตไทยเป็นมุตโตไทยภาษามุตโตไทยเป็นคำพูดของเจ้าคุณอุบาลีแล้วทำไมจึงมาเป็นชื่อหนังสืออันนี้ละ่ะ ได้มาจากไหนผู้เล่าตอบว่าท่านจะขุนอริยะคุณาทานไปค้นพบจากที่นอนของกระผมท่านถามว่าใครเขียนละ่ะผู้เล่าตอบว่าเขียนหลายรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านอาจารย์วิริยังเพราะท่านเป็นผู้นําในการเขียนพวกกระผมก็ได้เขียนท่านวันก็ได้เขียนผิดถูกขอโอกาสครูบาอาจารย์กระผมยอมรับผิดทุกอย่าง หลังจากท่านฉันจังหันเสร็จท่านก็เข้าห้องผู้เราก็ขึ้นไปปฏิบัติท่านนำห่อหนังสือขึ้นไปถวายเป็นเวลาที่ท่านจะต้องพักแต่ท่านไม่พักอ่านต่อจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านฉันน้ำชาผู้เราขึ้นไปทำข้อวัดท่านก็บอกว่าเออดีเหมือนกันนะเป็นเทศนาคำยอ่อผู้มีปัญญาพิจารณาได้ท่านว่ายอย่างนั้น หนังสือมุตโตไทยที่พิมพ์แจกในงานถวายเพลิงศพของท่านพระอาจารย์มั่นนั้นก็มีของท่านอาจารย์วิริยังเป็นบทนำต่อจากนั้นก็เป็นของหลวงตาทองคำเป็นอันดับสองอันดับสท่านอาจารย์วันท่านทั้งหลายที่ได้อ่านหนังสือมุตโตไทยก็คือหนังสือที่พระอาจารย์มั่นได้ตรวจทานแล้วเป็นของที่ท่านยอมรับแล้วว่าดีอยู่เพราะว่าเทศนาเป็นคาย่อ แต่ผู้มีปัญญาก็พิจารณาได้ท่านมักจะพูดเสมอเรื่องค่าของศูนย์ท่านเปรียบถึงพระนิพพานนิพพานังประมังศูนย์ยังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งศูนย์ทำไมจึงมีอยู่ทองคําลองเขียนดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก ธรรมดาเลขนั้นมีอยู่9ตัวใช่ไหมที่มันนับได้บวกลบคูณหารกันได้ส่วนเลขศูนย์มันอ่านได้มันมีอยู่แต่ไม่มีค่าฉะนั้นเอาไปบวกลบคูณหารกับเลขหนึ่งถึง9ก็ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้นแต่ศูนก็ยังมีอยู่เมื่อนำไปต่อกับเลขอื่นเช่นหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบ แต่ศูนย์อยู่ตามลำพังก็จะไม่มีค่าเปรียบเหมือนทิฏฐิภูตังคือจิตดวงเดิมที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานเมื่อชําระด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเป็นทิฏฐียานังจิตคือผู้รู้ว่าศูนย์จากอาสวะแล้วรู้ว่าศูนย์จากอาสวะก็เป็นบรมมสุข ผลจากทุกข์ทั้งปวงดังคําว่านิพพานังปรมามังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นคู่กันกับนิพพานังปรมามังสุนยังพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระสาวกหลายหมื่นหลายแสนองค์เข้าสู่พระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีที่เต็มว่างอยู่ตลอดอยากกลัวพระนิพพานเต็ม พวกเราจงเร่งไปสู่พระนิพพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเถิดพระนิพพานไม่เต็มหรอกท่านว่าอย่างนั้นมีแต่พวกขี้เกียจอุสิโตฮีนวิริโยท่านพูดเป็นภาษาบาลีตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดแกให้ตกเนือ้อแกบ่ตกขาพกเจ้าไว้ แกบ่ได้แขวนคอนำตองแต่งแก่บ่พ้นขาก้นย่างใหญ่ข้าย่ า, ยยางใหญ่เวียนตายเวียนเกิดเวียนเอากำเนิดในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเหือนเจ้าอยู่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบ่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับสับบาลีที่ว่าสังสาวเรอา น, นามตัตตะเคในสงสารมีเบื้องต้นและที่สุด ใครๆก็ตามไปรู้ไม่ได้แล้วนอกจากพระสัพพัญญูเจ้าเท่านั้นจะรู้ได้เพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยอวิชชาตัวนี้ละอุ้มหอจึงไม่รู้เวลาท่านมีอาร ม, มณ์สนุกสนุกก็จะพูดกับพวกเราพูดภาษาพื้นๆธรรมดาไม่ใช่ว่าท่านจะพูดพร่เพืือ บางทีท่านอาจจะพิจารณาว่าบุคคลสถานที่วัตถุนั่นแหละเรายัางไม่ได้พูดให้ใครฟังท่านก็จะถือโอกาสจังหวะเวลานั้นพูดเกี่ยวกับพระแก้วมรกตเอ่ยเกี่ยวกับพระนครปฐมเอ่ยอะไรทำนองนี้หมายเหตุผู้อ่าน สำหรับหนังสือมุตโตไทยฉบับที่พิมพ์เผยแพร่กันมากนั้นมักเป็นเฉพาะเนื้อหาที่จดบันทึกโดยท่านพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นเครึ่องแรกเท่านั้นส่วนเครื่องที่สองที่พระอาจารย์เสงปุตโสท่านจัดพิมพ์นั้นมักจะไม่ถูกตีพิมพ์รวมเข้าไปด้วยซึ่งก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมเหมือนกันท่านผู้สนใจฟังได้จากมุตโตไทยฉบับสมบูรณ์ซึ่งชมรมพลดีจัดทําเป็นเสียงอ่านเวลานะครับ